ตามบาลีที่ได้ยกขึ้นในตอนต้ น, นบอกว่าจิตตังพิกขเวดันตังคุดตังรักิตังสังพุตังมหาโตอัถายะสังวัตติพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมแล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เมื่อกี้เล่าอันนี้เนี่ยอันนี้จะเทศเลยนะฟังให้ดีจิตที่ไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่อะไรคือไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ อะไรคือไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่อะไรก็ตามที่เราหากันอยู่เนี่ยไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ประโยชน์อย่างใหญ่กับไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่มันตรงกันข้ามกันสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่คือสิ่งที่เป็นไปแล้วนำพาไปสู่ชาปชรามรณะโสกะปริเทวะและก็ทุกข มหาโตอัายะสังวตติส่วนสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ก็คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความไม่มีชาติชรมามรณะเข้าใจไหมปัญหาคือทันตังที่แปลว่าฝึกแล้วคุดตังที่แปลว่าคุ้มครองแล้ว รักขีตังที่แปลว่ารักษาแล้วสังหูตังที่แปลว่าสำรวมแล้วคืออะไรคืออะไรวันนี้จะบาลีเยอะหน่อยนะคือต้องคือเอาอย่างอื่นมาอ้างไม่เอาอะเอาพระพุทธเจ้านี่แหละแน่นอนนี่พระเจ้าว่าอย่างงี้นาหังพิกเวอันยังเอกธรรมังปีสมนุ ป, ปัสามิพิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเล็งเห็นสิ่งอื่นอันใดแม้แต่อย่างเดียวที่ยังเอวังอภาวิตังอกัมมันิยังโหติที่ไม่อบรมแล้ว ไม่เหมาะกับการใช้งานยะทะยีดังพิเกเวจิตดังเหมือนกับจิตนี้เลยพิกษุเอย๋ยพระเจ้าว่าพระเจ้าว่าพิกษุเอย๋ยพิษุตั้งหลายนี่แหละพิษุเอย๋ยเราไม่เล็งเห็นพิจนาเล็งเห็นสิ่งใดๆเลยที่ไม่มีการอบรมแล้วและจะเหมาะกับการใช้งานเนี่ยเหมือนกับจิตนี้ จิตนี้จะต้องอบรมท่านท่านถึงกล่าวว่าจิตตังพิกเวพาวิตังกมัมมนิยังโหติจิตนี้ต้องมีการอบรมจึงเหมาะกับการใช้งานชีวิตของเราประกอบขึ้นสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจร่างกายเป็นเหมือนบบาใจเป็นเหมือนนาย ไม่มีการกระทาใดๆที่อาศัยแค่ร่างกายโดยไม่อาศัยจิตใจแล้วจึงถือว่าเป็นการกระทาไม่มีแม้แต่กฎหมายเขาก็ไม่เอาผิดเดย่าว่าแตเรื่องกรรมเลยมันการกระทาใดๆที่เกิดขึ้นจากกายโดยส่วนเดียวไม่เกี่ยวกับจิตใจไม่เกี่ยวกับความคิดการกระทานั้นไม่ถือเป็นกรรมไม่ถือเป็นการกระทะนั้นกายมันจึงเป็นแค่ เบาใจจึงเป็นนายใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในทุกๆเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสอีกจิตติสเอกธรรมัสสะสะเบวะวะัสมันวะคูว่าสมพสิงตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือจิตเพราะจิตจึงเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราทั้นท่านตรัสว่าจิตนี้ถ้าไม่อบรม ไม่เหมาะกับการใช้งานอาการมันนี่อย่างอบรมคืออะไรคือภาวนานะอบรมคือภาวนานะถ้าไม่อบรมไม่เหมาะกับการใช้งานจิตเราทำงานด้วยอะไรจิตใจทำงานด้วยอะไรด้วยการคิดใช่ไหมจิตใจมันทำงานด้วยการคิด ท, ทุกงานที่เราทําจะมีจิตใจเข้าไปคิดร่วมด้วยเสมอมันจะเหมาะต่อการใช้งานก็คือจะต้องผ่านการอบรมในงานทั่วๆไปอย่างเช่นตอนนี้เราได้ยินกันว่าซีนซีหน่วยซีนหน่วยซีนนี่ไหน่วยซีนเนี่ ย, ย, นนยขอก็ต้องไปฝึกเอามันไปฝึกตั้งกายทั้งใจใช่ไหมเออเอาไปฝึกให้จิตใจเข้มแข็งเท่าทัน ต่อทุกๆสถานการณ์อย่างคนธรรมดาทำไม่ได้ไอ้ น, นี่คือเขาทำอะไรเขาฝึกมานั้นในการที่จะให้มันสงบในการที่จะให้มันตั้งอยู่บนกองของกุศลในการที่จะให้เขาเข้าไปสู่พระนิพพานเข้าไปสู่สุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพาน คำว่าสุขนี่ในในในความเป็นจริงของจิตสุขจะมีอยู่หกสุขด้วยกันคือมนุษยสุขเทวสุขฌานสุขวิปัสสนาสุขมรกสุขผลสุขนิพพานสุขเนี่ยสุขมนุษยสุขมีอยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่งสุขจากการที่ได้สำเร็จตามสิ่งที่ใจชอบแล้วก็รู้สึกเป็นสุขถูกชั่วครั้งชั่วคราวสุขเหล่านี้สู้สุขที่เกิดจากความดีที่ตนทำไม่ได้ถ้าเรามีชีวิตผ่านมาช่วงหนึ่งอายุ5060แล้วเรามองการกระทำในชีวิตของเราที่ผ่านมาทั้งชีวิต มองไปแล้วเห็นแต่ความดีเห็นอันนั้นก็ได้ยงงางนั้นอันนั้นก็เป็นยั ง, งนั้นเห็นเปความดีความมามองไปแล้วเกิดความรู้สึกภูมิใจดีใจความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งที่ถูกอกถูกใจชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเรีว่าความสุขที่เกิดจากจิตได้เสวย อ, อารมณ์ในสิ่งที่ถูกใจสุขเวทนา สุขน้อยกว่าความสุขที่เกิดจากความดีสุขที่เกิดจากความดียังเป็นสุขน้อยกว่าสุขของเทวดาเทวสุขสุขของเทวดาดีจะสุขน้อยกว่าสุขในสมาธิที่เรียกว่าฌานสุขสุขในสมาธิที่เรียกว่าฌานสุขยังสุขน้อยกว่าสุขที่เกิดจากวิปัสสนาสุขที่เกิดจากวิปัสสนายังสุขน้อยกว่าสุขที่เกิดจากมรรคสุข มรรคสุขก็จะสุขน้อยกว่าสุขที่เกิดจากผลรัศุขผลรัศุขก็จะสุขน้อยกว่าสุขที่เกิดจากนิพพานรัุขความปรารถนาที่จะให้ตัวเองมีความสุขของมนุษย์ทุกๆชีวิตทุกๆคนเนี่ยที่เราปรารถนาที่จะให้เรามีความสุขความสุขเราได้สุขแต่ละชั้นแต่ละชั้นจากล่างล่างไปเนี่ยแต่สุดท้ายของมันเราจะรู้ว่ามันสุขไม่จริงมันสุขไม่จริงมันสุขไม่จริงมันสุขไม่จริงมันสุขไม่จริง ที่เราอยากได้อะไรแล้วเราได้ดังใจแล้วเรารู้สึกเป็นสุขแต่สุดท้ายมันไม่ใช่สุขเราอยากได้อะไรแล้วมันได้ดังใจแล้วเรารู้สึกเป็นสุขแต่สุดท้ายมันไม่ใช่สุขมันไม่ใช่สุขสักอย่างชั้นของสุขมันจึงถูกเลื่อนขยับไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ของจิตเราตามประสบการณ์ของจิตเรานี่เราที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยได้กามได้มากันไม่รู้ตั้งกี่สุขแล้วแต่มันยังอยู่ไหม สุขแล้วหายไปสุขแล้วหายไปสุขแล้วหายไปไม่มีสุขไหนที่คงทนถาวร อ, อยู่กับเราจริงๆเลยทั้อย่างเดียวถ้ามีสุขอันใดที่เกิดขึ้นกับเราครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่อย่างนั้นชั่วกับชั่วกันเป็นสุขชั่วนิรันด์เราจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเพราะกูมีแล้วถูกไหมเพราเรามีแล้วแต่ไม่ใช่ถ้านับจํานวนหนึ่งสองสาสี่หเนี่ยจํานวนของสุขที่เกิดกับชีวิตของเรามันเยอะมากแต่มันหายไปหมด เพราะมันสุขไม่จริงเพราะในกำนวลสุขทั้งหมดที่มีอยู่มันจึงมีสุขที่เหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าจนสุดท้ายคือมนุษย์จะรู้สึกพอใจในความสุขของตัวเองก็คือนิพพานสุขนิพพานสุขเราฟังแล้วเราเข้าใจแต่เรารู้สึกว่าห่างจากตัวเราใช่ไหมเดี๋ยวเราตายเกิดตายเกิดตายเกิดอีกหลายชาติอีกหน่อยก็ได้ดีอ่ะสุดท้ายมันจะไปสุดอยู่ที่นิพพานสุข สุดท้ายมันจะไปสุขอยู่ที่นิพพานน่ะสุขเท่านั้นในความปรารถนาของมนุษย์เพราะความสุขที่แท้จริงมันจะต้องเป็นความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆมันจะต้องเหนือจากการปรุงแต่งทั้งหมดถ้าตราบใดที่จ้องอาศัยการปรุงแต่งอยู่ตราบนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะองค์ประกอบที่นามาปรุงแต่งแต่ละอย่างล้วนแต่ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความสุขหนึ่งสุขนั้นองค์ประกอบเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวทั้งสิน้นและความสุขนั้นก็เลยกลายเป็นความสุขที่ชั่วคราวไปมันจึงเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายไม่เคยมีสุขใดอยู่ชั่วกับชั่วกัน อย่างที่ใจเราปรารถนามนุษย์ยึงเดินทางเพื่อตะเวนหาความสุขกันเนี่ยมันก็เลยเลื่อนไปเรื่อยๆมันจึงไปสุดอยู่ที่นิพพานสุขจําไว้ตายไปก็ยังต้องจําไว้เมื่อครใดที่ถึงนิพพานสุขแล้วบอกเอออาจารย์พู้ถูกจริงๆทีนี้ถ้าเราถ้าเาไม่ตายเอาไม่ตายอตอนเนี้ย ลองอยู่ไปดูทีพอเราหิวเราอยากกินข้าวใช่ไหมหิวนี่เป็นทุกข์อยากกินข้าวถ้าได้กินข้าวแล้วรู้จะรู้สึกไปถึกเราก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปตอนกินก็เป็นถุกดีพอกินเสร็จอิม่มตื้นั่งก็ไม่ตาหนัดนอนก็ไม่ตาหนัดเอนก็ไม่ได้ <c oughs> อหัอดไปหมดทุกข์ก็มาแล้วพอทุกข์มันมาเบียดเบียดไปเบียดมาเบียดมาย่อยเผาผลาญหายไปหายไปท้องพร่องหิวต่อหิวใหม่อีกแล้ว อ้าและไอ้สุกนี่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้แต่ตอนนั้นอ่ะมันหายไปไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมสุขนี้อยู่ตลอดชั่วชีวิตของเรานี่แค่สุกเดียวมันทุกทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดอ่ะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยกว่าที่เราจะมาเจอพระพุทธเจ้ากว่าเราจะได้มานั่งรวมเจอหน้ากันแบบนี้กว่าที่เราจะได้มารู้จกักศีลสมาธิปัญญากว่าที่เราจะได้มารู้มัก อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้อย่างนั้นเราก็ดำผุดดำไหวดำผุดดำไหวอยู่ในทะเลสุขจอมปลอมนี้ชั่วกับชั่วกันการอยู่ในทะเลสุขจอมปลอมชั่วกับชั่วกันของเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิลวัตต์และการกระทําของเราเพื่อให้ได้มาถึงสุขเหล่านี้เขาเรียกว่าวัตบ ต, วตบาทวัตตบาทของเราที่เคลื่อนไหวยอยู่ทุกนาจิตเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงให้กับเราได้เลย ไม่มีไม่สามารถหาได้ไม่สามารถหาได้ดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราได้ความสูงที่จริงคือวิวัตบาทวิวัตบาทมันก็ต้องใช้หลักการคิดในกลไกทางความคิดแบบพระพุทธเจ้าคือให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงพอเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะจบในทุกๆสิ่งเห็นสิ่งใดตามความเป็นจริงถึงที่สุดของความจริงของมันแล้วสิ่งนั้นก็จบ เห็นส no ิ่งใดตามความเป็นจริงถึงท like> ี่สุดของความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นก็จบเห็นสิ่งใดตามความเป็นจริงถึงที่สุดของความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นก็จบมันก็จบเป็นอย่างๆอย่างๆอย่างๆอย่างๆอย่างๆเรื่องๆไปในที่สุดมันก็หมดนี่เส้นทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่มีใครสามารถนาพาเราไปได้และสิ่งที่จะทําให้เราเห็นอย่างมั่นคงแข็งแรงเห็นแล้วได้ผลต่อประจักษ์ใจมันจึงต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิต ไอเห็นแบบคิดหเห็นแบบที่นั่งฟังรู้เรื่องคิดเห็นคิดตามอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ตอนเนี้ยเอออาจารย์พูดถูกใช่ๆช่ช่หลวงพ่อพูดถูกใช่ใช่ใช่ใ ช, พ ช, ช, ช, ช่พอลุกขึ้นสะบัดก้นเดินไปหน่อยเดียวหมดก็อีรอบเดิมถูกปล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเห็นนี้ถ้ามันเห็นในจิตที่มันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่การเห็นธรรมดาเพราะมันเป็นการเห็นด้วยใจ การเห็นด้วยจิตตั้งมั่นท่านจึงเรียกว่าอะไรเรียกว่าญาณทัศนะนี่เห็นแบบนี้และเห็นแบบที่เราคิดอยู่เนี่ยที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยแต่เห็นในขณะที่จิตมันตั้งมั่นเห็นในขณะที่จิตมันมีความนิ่งเป็นหนึ่งที่สุดที่มันจะนิ่งได้แล้วแล้วเกิดความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาความเห็นนี้เรียกว่าญาณทัศนะแต่ที่ต้องเทศต้องพูดได้ควงกันก่อนเนี่ยเพราะอะไร เพราะเมื่อถึงความที่มันมีจิตเป็นหนึ่งเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเห็นอย่างนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรรู้เขาคยกรนิ่งอย่างนี้มาเยอะเขาได้สมาบัติแปดรูปฌานสีอรูปฌานสีนี่คืออาการที่จิตตั้งมั่นทั้งนั้นแต่จิตที่ตั้งมั่นในขณะนั้นจิตไม่มีประสบการณ์ในการที่จะน้อมความตั้งมั่นเข้าไปดูความจริงที่สุดของสัพพสิงได้จึงไม่มีญาณทัศนะเข้าใจไหม มันจึงต้องมีการบรรยายทำเทศกันเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อจิตเมื่อเราเห็นอย่างนี้แหละแต่เห็นในขณะที่จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นน้อมจิตเข้าไปเห็นกายและใจหรือรูปหรือนามนี้หรือสภาวะอันใดที่เกิดว่าด้วยจิตตั้งมันเห็นแล้วเห็นความจริงถึงที่สุดของในสิ่งนั้นนั้นก็จะเป็นญาณทัศนะเพราะความจริงที่สุดของทุกทุกสิ่งทุกๆสภาวะก็คือ เกิดขึ้นแล้วก็อะไรนความจริงของทุกๆสภาวะก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เกี่ยวกับสีสันฐานรูปร่างกลิ่นอะไรต่างๆไม่เกี่ยวเลยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เป็นความจริงของทุกๆสภาวะก็คือเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นว่าสภาวะเกิดขึ้นดับไปในขณะที่จิตตั้งมั่น เป็นยานทัศนาเมื่อมันเป็นญาณทัศนาเนี่ยมันก็จะทําให้เบื่อในสิ่งที่เกิดและดับเบื่อสิ่งที่เกิดและดับเมื่อเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นว่ามันเกิดและดับมันจะทําให้เบื่อในสิ่งที่เกิดและดับ เมื่อเบื่อสิ่งที่เกิดระดบับมันทำให้สำรอกความชอบออกไปเมื่อสำรอกความชอบออกไปจิตจะเป็นอย่างไรฮ<ะ>จตจ น, น, นเออตอบคำเดียวจบเลยแล้วเนี่ย <laughs> เรื่องอย่างนี้จึงเป็นธรรมะที่เราจะต้องฟังบ่อย ทำความเข้าใจให้จิตมันได้ประสบการจากการฟังธรรมะอย่างนี้บ่อยๆเพราะเมื่อเราปฏิบัติภาวนาอบรมจิตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตที่ตั้งมั่นมันก็จะน้อมเข้ามาดูสภาวะเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นญานณทัศนะเมื่อญาตทัศนะเกิดเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนิพพิทาเกิด เมื่อนิพิทาเกิดเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวิราคาเกิดเมื่อวิราคาเกิดเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวิมุตติเกิดเมื่อวิมุตติเกิดเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวิมุตติญาณทัศนนะเกิดกิจทั้งหมดก็จบเรื่องราวทั้งหลายก็ยุติการเดินทางของเราก็สิ้นสุดมันถ้ามีคาถามว่า อบรมจิตทํำไมสถานีแรกอบรมจิตทําไมอบรมเพื่อให้จิตตั้งมัน่นนี่สถานีแรกต้องเข้าสู่ความตั้งมั่นของจิตได้ก่อนถามว่าจิตตั้งมั่นที่ไหนอะตั้งมั่นที่ไหนพวกหลายสํานักนี้ตอบได้ไหมจิตตั้งมั่นที่ไหนฮะ จิตตั้งมันที่ไหนจิตฮะจิตต้องตั้งมันที่จิตเออเดี๋ยวทีหลังก็ต้องเอารางวัลมาให้มั่งแล้วมันมัผูกไม่กล้ากล้าตอบจิตตั้งมันที่ไหนไม่ได้จิตต้องตั้งมันที่จิตทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคำว่าเกิดและดับอะไรเกิดอ่ะ ว่ากันที่จิตเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมันมีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่มันเกิดแล้วไม่ดับเลยเราว่ากันที่จิตของเราเนี่ยแท้ที่จริงอะไรมันเกิดดับ เคยยดดีนคาว่าจิตเดิมเป็นประพัสสอนไหมฮะเคยไหมฟังนี้เคยไหมจิตเดิมเป็นประพัสรเคยย่มันคืออะไรอ่ะเอะแล้วมาบอกว่าเกิดดับจิตเดิมประพัสอนประพัดสอนแปลว่าผ่องใสอิสระอย่างยิ่งแสดงว่ามันไม่เกิดดับแล้วอะไรเกิดดับอ่ะฮะ บางคนรู้นั่นแหละแต่ไม่กล้าตอบเหตุที่ไม่กล้าตอบเพราะอะไรรู้เปล่าไม่มั่นใจที่ไม่มั่นใจเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะปฏิบัติน้อยใช่ปะ่ะจิตเดิมที่เป็นประพัฒสอนคือจิตอะไรคือจิตที่เป็นประพัฒสอนที่ว่าเนี่ยจิตเดิมไม่ได้เกิดดับนี่ต้องกล้าตอบไปแบบหน้าตึงๆอย่างนี้เลย ต้องอาจหารจิตเดิมที่เป็นประพัสดุนจิตเดิมมันไม่ได้เกิดดับแต่จิตนี้มีปัญหาเมื่ออุปกิเลสจรเข้ามาด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายแหละที่อยู่ที่จิตนั่นแหละมันเป็นตัวเกิดดับเพราะมันทำไม่เป็นเจตสิกมันก้าวไปสู่ในระบบขอ ง, ของความคิดทำให้เกิดการคิดการคิดที่สัมยุญ ด, ด้วยกิเลสทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดและก็ดับ จิตเดิมที่ไม่มีกิเลสจรมาไม่มีอุปกิเลสจรนเข้ามาขาปรัฒสอนปัฒสอที่ไม่ได้เป็นอริยะเขาเรียกว่าอะไรฮะโอ้โหโ อ, โอ้นี่มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยป้ายขาวแม่จิตเดิมเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมศัพท์ก็มีชื่อ มันคืออะไรรู้ไหมพระวังคจิตถ้าไม่ได้เรียกว่าพระวังกจิตเด็กทารกที่นอนอยู่ในคันของมันดามันก็ต้องเรียกว่าอารหันด้วยดิถูกไหมเออมันคือพระวังกจิตปัศระแค่นั้น แต่พอมันเข้ามาสู่อายตนะขึ้นมาเนี่ยเข้ามาสู่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาอาวิชามันครอบงําความไม่รู้มันครอบงํามันก็เลยทําให้เกิดการเสวกงาจึงเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดเพราะอันจิตของเราเนี่ยถอดชั้นออกมาแล้วเนี่ยเหนือจากพระวังกจิตเนือจากจิตที่เป็นประภสอรเหนือจากจิตเดิมที่เป็นอยู่เนี่ยเขาจึงมีอยู่สองสถานะอยู่ในจิตของเรา สายหนึ่งเรียกว่าคุณชาติอีกสายหนึ่งเรียกว่ากิเลสชาติสายที่เรียกว่ากิเลสชาติจะทำงานหมักหมมอยู่ที่จิตเป็นอาสะวะสายที่เรียกว่าคุณชาติจะทำงานหมักหมมอยู่ที่จิตเราเป็นบา ร, รมีเข้าใจปะฮันสายกิเลสชาติหมักหมมแล้วส่งกลิ่นไอออกมาให้เพ่นพ่านอยู่ในชีวิตประจาวันของเราเขาเรียกว่าอะไร นิวรเข้าใจปะที่เราเดินใช้ชีวิตประจำวันที่ตัดสินใจทุกครั้งพูดทุกครั้งการกระทำทุกครั้งแสดงความคิดทุกครั้งมีใจเข้าไปมีความรู้สึกเกี่ยวพันกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เพ่นพ่านอยู่ในการตัดสินใจแต่ละครั้งเขาเรียกว่านิวรนนิวรนตัวที่บ่งบอก เชื่อมกับนิวรณตัวที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุภนิมิตตัวที่สองเรียกว่าปฏิฆานิมิตโอ้วันนี้ถ้าพูดเอาใจสับบาลีเยอะๆอย่างนี้ตายไม่ได้นั่งสมาธิกันแน่ตัวที่หนึ่งเรียกว่าสุภานิมิตตัวที่สองเรียกว่าปฏิฆานิมิตตัวที่สามไอ้ไอ้ีนมิธาเนี่ยธีนมิธานี i คืออะไร อะไรคืออาการของถีนมิทะในจิตของเราที่มาเป็นพ่านอยู่ในชีวิตปัญญาวันเนี่ยทำใจนิ่งๆและจำนะหนึ่งอารติสองตันทิสวิชัมพิกาสเจตโสมีลตาห้ 5. พัตตะสมโท เคยยินป่ะไม่เคยไม่เคยหรอกไม่มาเนี่ยอารติคือความไม่ยินดีทําอะไรและเราเกิดความรู้สึกไม่ยินดีกับสิ่งที่ทามันก็จะเกิดทำให้จีโัวทูแล้วก็หลับเคลิ้มแล้วก็หลับอารติสองตันทีแปลว่าความขันความก่เกียดสาม วิชำพิกาแปลว่าการบิดขี้เกียจคือถ้าพอนั่งเฉยๆแล้วมันต้องให้อเอาสักนิดหนึ่งอ่ะไอเป็นนิสัยเอาสักนิดหนึ่งเพราะว่าจิตมันเกิดลีนาตาก็คือความอะไรลีนาตาเนี่ยหดหูไม่อาจหานี่แล้นั่งอย่างเงี้ยถ้าจิตเกิดไอลีนาตาคือเกิดความหดหูแล้วมันไม่อาหารแล้ว ตาก็อยู่ที่หลวงพ่อแล้วแต่ว่าจ้องเงี้ยแต่ใจมันเคลิมไปไหนแล้วไห่รู้อันนี้เพ่งผ่านอยู่ในชีวิตปัจจำวันข้อเดียวนะที่ชื่อว่าอุทธัติินามิทะเพราะฉะนสุพันนิมิตปฏิฆานิมิตแล้วก็ทินามิทอุทธจัจจะุกุจจะความฟุ้งซ่าน ความที่จิตนี้ไม่มีหลักไม่มีหลักของตัวมันเองและก็ความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็สงสัยไปหมดสงสัยจนไม่เข้าท่ามีตั้งแต่สงสัยจนไม่เข้าท่าแล้วก็สงสัยจมอยู่ในท่าสงสัยเข้าท่านี่ไม่ค่อยมีสงสัยไม่เข้าท่าแล้วก็สงสัยจมอยู่ในท่านะไอสงสัยเข้าท่าไม่ค่อยมี เหล่านี้เรียกว่ามิวร์เป็น่านอยู่ในชีวิตประจวันของเราเขาเลยเอามาเรียกแค่สองคเรีกว่าอภิชาแลโทมนัทคือหลงโลกหลงโลกในลักษณะที่ชอบและอยากหลงโลกในลักษณะที่ไม่ชอบและรังเกียจสองตัวนี้จะเคลื่อนไหวยอยู่ในด่านนอกสุดของชีวิตเราของความรู้สึกเราด่านนอกสุดที่ตัวนี้ก็เคลื่อนไหวยอยู่เรียกว่าหลงโลกหลงโลกส่วนแรกเรียกว่า หลงโลกเพราะอยากและสวงหาสองหลงโลกเพราะไม่ชอบแล้วรังเกียจ ม, มันจึงดีดดิ้นตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโลกใบนี้เราจึงหาความสุขไม่ได้ไงหั้นชั้นของความสุขหกชั้นที่จะมาบอกตัอตอ้งแต่ต้นมันถูกไอตัวนิวรณ์เนี่ยครองใจเราอยู่และทําให้ใจของเราดีดดิ้นสวยงาความสุขไม่เจอทันที มันก็จะไปหมกอยู่กับความสุขชั้นแรกแรกแค่ความสุขที่ชื่อว่าชาณสุขชาณสุขคือสุขในสมาธิก็หาไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ให้ไปมันไม่ให้เข้าไปหาเพราะไอตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเต็มเป็นสมาธิของจิตก็คือนิวรณ์ใช่ไหมมาขวางเต็มเต็มเลยนั่งไปได้ห้านาทีก็หลับนั่งไปได้สิบนาทีเดี๋ยวก็ฟุ้งเฟือ่ฟุ้งซ่านหาความนิ่งให้กับจิตไม่ได้ เพราะมันนิวรณ์เนี่ยมันเข้าไปฝงังไอ้นั่นคือเข้าไปฝงังเข้าไปกั้นนะแต่ว่าเวลาจริงๆทํางานของนิวรณ์นั้นทําอยู่ในชีวิตปกติประจําวันของเราเนี่ยนั่นแหะเขาทํามาเขาบังคับออกมาเพื่อให้เรามาใช้งานในลักษณะสองอย่างหนึ่งอยากปรารถนาและแสวยงาชื่อว่าอภิชา2ไม่ปรารถนาไม่ชอบ ไม่เอารังเกียจเรียกว่าโทรมานะสองตัวเนี้ยมาเกาะ อ, อยู่ด่านนอกในกจิตของเราคุยกับใครกัะทบกับใครไปหาที่ไหนเจอสถานการณ์แบบไหนทำอะไรไม่ว่าแบบไหนอภิชาได้โทรมนัดจะอยู่ด่านนอกของเราตัวนี้คือตัวนิพนธ์เพราะนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า จิตตังพิกเวภาวิตังกรร ม, มะนิยังโหติภิัูงหลายจิตที่อบรมแล้วจึงเหมาะกับการใช้งานจิตที่อบรมแล้วมันอยู่นอกอยู่เหนืออำนาจของนิวรันเป็นเบื้องต้นเลยอยู่เหนืออำนาจของนิวรนเข้าใจป่ะเป็นเบื้องต้นเลยพออยู่เหนืออำนาจของนิวรันเราก็สามารถทำงานด้วยจิตที่เป็นสุขได้ทั้งหมดเลย จะเป็นคนเข็นใคยะก็ได้อยู่ในมหาเลายใย่ยคนอื่นเ็านั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการอธิการบดีใช่ไหมแต่เราไปนั่งในฐณนะคนเช็ดบันไดก็ได้เพราะจิตที่มันอบรมแล้วมันสามารถเป็นสุขไม่นับเนื่องว่าเป็นการเช็ดถูบันไดหรือการนั่งบนเก้าอี้นวม เป็นสุขที่อยู่นอกเหนืออำนาจของนิวรแต่ถ้าพอวนนิวร อ, ออกมาเนี่ยเออถ้าเป็นนายตารวจใหญ่เดินไปตรวจแถวลูกน้องเนี่ยต้องตะโกนเรียกมึงมงกูกูตั้งแต่ไกลเลยนะเนี่ยเอาสักนิดฮใช่ไหมเ อ, เอาสักนิดอันนี้คืออะไรนิวร นี่อำนาจของนิวรณ์นะสรุปนะครับจิตตังคันตังสุขาวะเออใชอ่นี่คือนิวราในชีวิตของเราเนี่ยต้องต้องภาวนาและภาวนาต้องทำให้ถูกไม่ใช่ภาวนาทำให้มันประเสริฐเลิศเลย เลิดลอยไม่ใช่ภาวนาต้องทำให้ถูกทำไม่ถูกวิธีวิธีไหนวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นแหละวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อทำแล้วมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิและเกิดปัญญาการภาวนาอันใดที่ไม่ได้สนับสนุนสติไม่ไม่ได้ น, นาให้เกิดสมาธิไม่ทาให้เกิดปัญญาการภาวนานั้นไม่ถูกวิธี จะเรียกภาวนาก็ได้แต่ไม่ถูกวิธีไม่ใช่ภาวนาที่พระพุทธเจ้าปรารถนาเพราะฉนั้นภาวนาเมื่ออบรมแล้วภาวนาแล้วเนี่ยจิตมันเกิดการทันตังคือเกิดการฝึกฝนถูกวิธีเกิดการคุดตังคือเกิดการคุ้มครองอย่างถูกวิธีเกิดการรักทีตังก็คือเกิดการรักษาเกิดการสางอูตังเกิดการสัารวมอย่างถูกวิธี เพราะฉะนั้นจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงฟากเช้านี่ควังธรรมก็เอาสักพอของปากของกอนะให้พวกเราได้พักสักห้าถึงสิบนาทีแล้วก็กลับมาทีนี้จะมาภาวนากันแล้วเมื่อกี้พูดถีนะมิธะนังใครจำแม่นแม่นกันจำไว้นะเดี๋ยวเพราะว่าอีกหน่อยอันตรมาลืมแล้ว พอดีพูดไปพูดมาเมื่อกี้มันนึกขึ้นได้ไงมันนึกขึ้นได้มันก็ออกมาเวลามันไม่นึกขึ้นได้มันหายพิจิงศรีอาปีฮะจาไว้ด้วยนะใครจำแม่นๆจดๆไว้อะไรแล้วไม่รู้เนี่ยอารติอืมอารติตันธิวิชัมพิกา พัตตะสมะโทพัตตะสมะโทแปลว่าเมาอาหารกินอาหารใหม่ๆฉันอาหารใหม่ๆให้มานั่งสมาธินี่มันจะเกิดอาการเจเกิดอาการพัตตะสมะโทคือเมาอาหารเจตาโซดีตาเรียว่าแปลว่าหดหูแต่อรติสําคัญทุกตัวสําคัญหมดอระรติสําคัญมากเพราะว่า มันเกิดความไม่ยินดีในสิ่งที่ทำพอเกิดความไม่ยินดีในสิ่งที่ทำจิตมันก็เคลื่อนออกจากสิ่งที่ทำมันไปเสพยอย่างอื่นข้างนอกพอไปเสพอย่างอื่นข้างนอกมันก็จะอ่ อ, อยอ่ อ, อยอ่ อ, อยอ่ อ, อยอ่ อ, อยอ่ อ, อยอะจนเคลิ้มอรติตันทิแปลว่าความค้านความขี้ค้านอาการความค้านมันจะมาทางไหน i? มันจะมาตรง ค่ะพอพอคันเนี่ยนะสมมติเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยความเพียรคือนั่งตรงความค้านเริ่มมามันมาตอนไหนตัวกระดูกก็เริ่มกล่องกล่องกล่องเงี้ยมันมันอ่อยไปเรื่อยอ่อยไปเรื่อยแล้วก็โยกโยกเงี้ยเนี่ยไอเรียกว่าความค้านเรียกว่าตันทิตันทิตันทิอืมไม่ใช่นันทินะตันทิ มานากาศนอตอทหารระอรเนี่ยนั่งออย่างเงี้ยอย่างเงีง้ยบางคนก็ตั้งกล้องวงจรจับอยู่อะ่ะคยถามเขาทาไมนั่ ง, งอ๋อเร้อไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวแล้วมันมันเกิดอาการตันทิขึ้นมาไงครองจิตครองกายไม่อยู่อาอพร้อมยัง จำไว้เลยนะอระติตันทิวิชัมพิกาพัตตะสมาโทเจตะโสนีลตาเราเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวนีมันจะหายไปแล้วจะอันตรมาก็ลืมเมื่อกี้พูดพูดพูดไปแล้วมันนึกขึ้นมันมาเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำสมาธิเวลาฝึกฝนตนเนี่ย มันหาจุดไม่ออกว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคกันแน่วะก็ไปศึกษาค้นคว้ามันนี่แหละโอ้ยนี่เองคือถึงรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตและเวลาเราพูดกันถึงเรื่องนิวรณน่ะเราพูดกันเฉพาะตอนที่เราทำสมาธิแต่แท้ที่จริงอ่ะมันน่ะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ทุกขณะเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถูกนิวรนนั่นแหละเพราะมันเป็นป่นไอของอาสวะออกมาเป็นผ้านอาสวะไม่ได้มาหรอกไอตัวนิวรนเนี่ยเป็นตัวทําพระเจ้าจึงสอนให้เราใช้การเคลื่อนไหวห้าอย่างหนึ่งให้ใช้หลักการจเจริญอสุภานิมิตเพื่อดับสุภานิมิตเพราะสุภานิมิตเนี่ยมันเป็นตัวทําให้นิวรนมีอำนาจก็หัด อสุภานิมิตใช่งทีนี้ไอตัวพยาไอปฏิฆานิมิตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเบตาเจโตวิมุตติอหัดทําใจวางจากสิ่งจากจากสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของเบตาแล้วก็อุทธธจักุกุจักความคุ้งซ่านมันเกิดจากความไม่สงบของจิตก็หัดวางจิตให้มันสงบ ก็สามารถที่จะฝึกได้เป็นตัวตัวตัวตัวตัว